เป็นไงปีใหม่แล้วมีสติไหมทางโลกเขาชอบถามนะปีใหม่มีความสุขไหมส่งความสุขเรามีสตินะมีไหมหลวงพ่อไม่เคยได้มาที่นี่ช่วงหลังเทศอยู่ที่วัดเป็นหลักแต่ว่าปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเทียบไปนะหลวงพ่อเหมือนคนปลูกต้นไม้ ต้นไม้ที่หลวงพ่อปลูกนะเจริญงอกงามสวยงามเหลือเกินปีหนึ่งบางต้นหนอนเจาะไปบ้างนะเรื่องธรรมดา <c oughs> ปลูกต้นไม้หนอนแล้วไปกินบ้างตักะ แ, แตนลงบ้างเคลียกินบ้างธรรมดาต้นไม้ที่พันธุกรรมแข็งแรงนะพันธุกา ร, รแข็งแรงเติบโตเติบโตอย่างน่าอัศจรรย์ไม่ใช่หลวงพ่อ ประเมินเองด้วยนะพวกเราบางคนเข้าไปกราบครูบาอาจารย์ที่น้นที่นี่ท่านมองด้วยความประทับใจนะดูพวกเราหลายคนจานวนมากเลยเราเติบโต ท, ทางจิตวิญญาณนี่เพิ่งมีคนมาเล่าให้ฟังมีเข้าไปกราบครูบาอาจารย์วงหนึ่งนะเข้าไม่ถึงคนล้อมท่านไม่เยอะนะคนกั้นอยู่เป็นร้อยเลย แกก็นั่งก่อนานาแกไปท่านแวกเข้ามาหานะเดินะเธอเป็นรู้สิใครนะถามตอบแล้วก็ดีนะบอกพระแท้ๆนะอะรอยางนีนะ้ในความเป็นจริงแล้วครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์งที่สอนถูกแนละ้วก็จะสอนอย่างเดียวกันนั่นแหละสำนวนโมหะน่าจะแตกต่างกันนะแต่เนื้อหาสาระมันอันเดียวกัน ถ้าสอนตรงสอนถูกตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็มันหนีไม่พ้นหลักของไตรสิกขาไปไดนะ้เรียนเรื่องศีลเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องการเจริญปัญญามีศีล น, นะเพื่อจะเป็นพื้นฐานให้จิตเนี่ยสงบให้จิตตั้งมั่นคนไม่มีศีลจิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านอย่างคนที่ใจคอโวดร้ายทารุณนะจิตใจไม่สงบ เกกระร้ารานผู้อื่นทางกายทางวาจาจิตใจไม่สงบทําไงก็ไม่สงบง่ายๆนะมีศีลไว้ใจก็สงบง่ายไม่เกกระร้ารานผู้อื่นใช้ก็สบายสงบมีศีลไว้นะนนะก็จิตใจคอยอยู่กันเนื้อกับตัวไว้คนไม่มีศีลจะฟุ้งซ่านมากอย่างคนคิดจะขโมยเขาคิดจะโกหกหลอกลวงเขาอะไรนะใจฟุ้งไป จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคนะิดจะเป็นชู่ของเขาเนี่ยใจก็ไม่อยู่กับตัวเองงนะั้นคนมีศีลนะจิตใจมนอยู่กับตัวเองง่ายเนี่ราค่อยมาฝึกรักษาศีลไว้แล้วก็มาฝึกจิตใ จ, จให้มันสงบฝึกจิตใ จ, จให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวการที่เรามาฝึกจิตใจให้สงบฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคือจิตตั้งมัง่นไม่หลงไปไม่ไหลไปไม่เพลิดเพลิน ลืมกายไม่เพลิดเพลินลืมใจเพราะจิตใจเราอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วก็มันก็เป็นฐานของการเจริญปัญญาในขั้นต่อไปนะยันบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนนะศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเรียนรู้ในการรักษาศีลเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพของจิตเรียนรู้ในการใช้จิตที่มีคุณภาพแล้วมาเจริญปัญญาถ้าปัญญาแจ่มแจ้ง มากฝก็เกิดนะวีมุตก็เกิดความพ้นทุกขก็เกิดขึ้นถึงจุดหนึ่งพ้นทุกไปพอร่างกายแตกดับเนี่ยก็เรียกว่าดับทุกนะเป็นระดับระดับไปงั้นพวกเราถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะถึงไปเรียนกับครูบาอาจารย์อื่นก็ไม่แปลกอะไรนะดีไม่ดีจะเข้าใจคําสอนของท่านมากขึ้นด้วยซ้ํำไปมีคนมาบอกนะว่า อย่างบางทีอ่านคําสอนครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆไม่เข้าใจนะมาเรียกแกหลวงพ่ออยู่ช่วงหนึ่งนะีไปอ่านคําสอนครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆนนะ่ะเข้าใจลึกซึ้งรู้เลยว่าจริงๆแล้วท่านสอนอันเดียวกันนั่นเองแต่ภาษานั้นแตกต่างกันไปหลวงพ่อออกไปหาครูบาอาจารย์ม า, มามากนะหลายวงค์ท่านก็พูดเหมือนกันหมดนะท่านก็บอกว่าที่ภาวนามาหลวงพ่อทำมาก็ถูกแล้วละให้ไปช่วยกันประกาศศาสนาสืบทอดอายุศาสนา อย่างหลวงพ่อก็มาบอกต่อถึงวิธีปฏิบัติธรรมให้พวกเราฟังไว้พวกเรามาลองปฏิบัติดูเราเห็นเลยกิเลสในจิตใ น, ในใจเราเนี่ยค่อยถูกลดถูกละเป็นลำดับลำดับไปจิตของเราจากเป็นผู้หลงผู้ฟุ้งซ่านผู้หลงตามกิเลสตลอดเวลามันค่อยถอดถอนตัวเองออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นลำดับขึ้นมา พอจิตใจถอดถอนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเอาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละมาเจริญปัญญามารู้กายมารู้ใจของตัวเองการเจริญปัญญานั้นทิ้งการรู้กายรู้ใจรู้ธาตุรู้ขันอะไรนี้ทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งการรู้กายรู้ใจรู้ธาตุรู้ขันแล้วก็ไม่ใช่การเจริญปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์ในทางพระพุทธศาสนา าต้องมาเป็นลาดับนะเราค่อยๆพัฒนาคุณภาพของจิตรักษาศีลก่อนจะทำให้การพัฒนาคุณภาพของจิตทำได้ง่ายแล้วก็มาพัฒนาคุณภาพของจิตมีวิธีพัฒนานะจิตที่มีคุณภาพมีสองแบบแบบที่หนึ่งเป็นจิตที่สงบแบบหนึ่งเป็นจิตที่ตั้งมั่นสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนี่หลวงพ่อพูดบอกว่ามันมีสองอย่างสมาธินั่นเองจิตที่มีสมาธิสมาธิมันมีสองอย่าง ถ้าพวกเราไม่เข้าใจสมาธิสองอย่างนี้เรามักจะเอาจิตซึ่งมีสมาธิแบบสงบเนี่ยคิดว่าถ้าสงบแล้วจะเจริญปัญญาได้มันไม่มีทางเจริญปัญญาได้เลยนะครูบาอาจารย์ท่านก็เคยพูดว่าทำความสงบเนี่ยอย่างเดียวนะเนิ่นช้าเพราะเราต้องพัฒนาจิตซึ่งตั้งมั่นจิตสงบกับจิตที่ตั้งมั่นไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านก็สอนไว้หลวงปู่เทสท่านก็สอนจิตที่สงบเนี่ยท่านใช้คาว่าชาน ตรงที่ตั้งมั่นเนี่ยท่านใช้คําว่าสมาธิท่านใช้คํ า, า, ท, าคที่แตกต่างกันฌานกับสมาธิถ้าพูดภาษาปริยัติจิตที่สงบเนี่ยเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตที่เพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวจิตที่ตั้งมั่นนะท่านเรียกว่าลักคนูปนิชฌานจิตที่ตั้งมั่นเห็นลักษณะคือความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมของกายของใจ จิตที่สงบนั้นเอาไว้พักผ่อนให้มีเรี่ยวมีแรงจิตที่ตั้งมั่นเอาไว้ใช้เดินปัญญานะงั้นถ้าเราพัฒนาคุณภาพของจิตได้ทั้งสองระดับนี้<ม>การพาวนาของเราจะมีความสุขมากสมาธิเราก็ได้ปัญญาเราก็ไดนะ้แต่ถ้าเราได้สมาธิชนิดตั้งมัน่นเห็นรูปเห็นนามเกิดดับเห็นกายเห็นใจทํางานจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดนะูได้อย่างนี้ก็พอได้มรรคได้ผลนะ แต่ถ้าเราได้อันเดียวแบบสงบอย่างเดียวไม่ได้มักได้ผลหรอกควรละเรื่องกันเลยนี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองด้วยนะครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเป็นเสาหลักตอนนี้ท่านก็พูดอย่างนี้มีคนไปถามท่านว่าถ้าผมทําสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาไหมท่านบอควรละเรื่องกันนะาะงนั้นต้องต้องฝึกให้ดีต้องเรียนให้ดีก่อนสมาธิมีสองแบบนะสมาธิแบบที่หนึ่งฝึกให้สงบสมาธิแบบที่สองฝึกให้ตั้งมั่น จิตท er ี่ไม่สงบเป็นยังไงจิตที่ไม่สงบเป็นจิตที่สายสายไปสายไปหาอารมณ์โน้นทีหนึ่งสายไปหาอารมณ์นี้ทีหนึ่งสายไปทางตาสายไปทางหูสายไปทางจมูกสายไปทางลิ้นสายไปทางกายสายไปทางใจไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งจิตมันจับอารมณ์แบบจับจดนะจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นี้ทีจิตถ้าไม่สงบวิธีฝึกให้จิตสงบเนี่ยเราก็ฝึกจิตน้อมจิต ไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องแทนที่จะปล่อยให้มันจับอารมณ์ น, น, น, น้นทีหนึ่งจับอารมณ์นี้ทีหนึ่งสเปสสป่าไปเรื่อยๆเราก็เลือกเราก็หาอารมณ์ที่มีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อคนไหนพุโทโธแล้วมีความสุขก็ใช้พุโทโธคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็ไปรู้ลมหายใจคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขนะก็ไปดูท้องพองยุบ ไนขยับมือทําจังหวะแล้วมีความสุขนะก็ไปเคลื่อนไหวทาจังหวะขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเจีย น, นกรรมฐานอะไรก็ได้เหมือนกันหมดเลยถ้าใจเราชอบพุโทโธเราใช้พุทธโทใจเราอยู่ในอารมณ์ที่ชอบใจก็ไม่วิ่งสซ่านไปหาอารมณ์อื่นๆการที่จิตใจของเราวิ่งไปหาอารมณ์โน้นทีหนึ่งวิ่งไปหาอารมณ์นี้ทีหนึ่งในความเป็นจริงมันวิ่งหาความสุขนั่นเองมันคิดว่าวิ่งไปดูแล้วจะมีความสุขมันไม่สุขจริงมันก็วิ่งไปฟัง วิ่งไปฟังนึกว่าจะมีความสุขไม่ไม่สุขจริงนะ <c oughs> ก็วิ่งไปกินอะไรเงี้ยวิ่งไปวิ่งมานะจิตก็ไม่มีความสุขไม่มีความสงบถ้าเราเลือกอารมณ์ที่จิตมีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อจิตทีไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นจิตที่มีความสุขจิตที่มีความสุขอยู่ในอารมณ์บรรไดจิตก็จะสงบอยู่ในอารมณ์นั้นลักษณะของจิตที่ทําสมถะนะ ก, ก็ต้องใช้วิธีนี้หาอารมณ์ที่มีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อจิต คนไหนพุทโธมีความสุขพุทโธไปคนไหนหายใจมีความสุขก็หายใจไปคนไหนพองยุบมีความสุขก็พองยุบไปถ้าทำแล้วเครียดไม่เอาถ้าทำแล้วเครียดจิตจะไม่สงบเลยถ้าจิตมีความสุขจิตถึงจะสงบในตำราถึงสอนบอกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิให้สงบเวลาที่จิตสงบนะจะมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งอยู่ด้วยกัน คูกันอยู่อย่างนี้ทรงอยู่ตราบเท่าที่กําลังของสมาธิยังอยู่พอสมาธิหมดกําลังนะจิตก็เริ่มสายนะจิตสายสายไปเที่ยวหาอารมณ์เยอะแยะเลยตอนนะี้ไม่ใช่จิตเป็น1อารมณ์เป็นหนึง่งงั้นถ้าเราฝึกนะจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขจิตเป็นหนึง่งอารมณ์เป็นหนึ่งไม่สายไปหาอารมณ์อื่นจิตมีความสุขอยู่ในอารมณ์นั้นสิ่งที่ได้คือสมถะกรรมฐานเราจะมีความสุขเกิดขึ้นมีความสงบเกิดขึ้น ความสุขความสงบเอาไว้ทําประโยชน์อะไรเอาไว้พักผ่อนอย่างคนเราทํางานหนักก็ต้องพักผ่อนถ้าไม่พักผ่อนเลยทํางานหนักอย่างเดียวเดี๋ยวก็ตายนะการภาวนาก็เหมือนกันถ้าไม่มีที่พักเลยนะจิตก็เหน็ดเหนื่อยมากเรียกว่าปฏิบัติลําบากปฏิบัติแบบแห้งแล้งบรรลุพระอราหันต์ได้เหมือนกันนะแต่พระอราหันต์ชนิดที่เรียกว่าสุขวิปัสสกะไปแบบแห้งแล้งนะไปอย่างลําบากหน่อย แต่ถ้าเราทำสมาธิพักผ่อนได้นะจิตใจชุ่มชื่นนะคล้ายๆคนเดินทางไกลพอตกค่ำก็มีโรงแรมให้พักมีข้าวให้กินมีน้ำให้อาบมีเตียงให้นอนเนะี่ยเช้าขึ้นมาสดชื่นเดินทางต่อไปบางคนพักอยู่ตรงนี้พอใจเลยพักอยู่นานหน่อยพักเป็นชาติชาติก็มีนะอยู่ในสมาธิพักเป็นกับๆเลยก็มีเว้พักอยู่ในพรหมโลกงั้นการทำสมาธิเพื่อพักผ่อนเนี่ยเร า, าพักเท่าที่จาเป็น พักพอให้จิตใจสดชื่นจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วต้องพัฒนาตัวเองต่อไปพัฒนาคุณภาพของจิตอย่าให้ติดอยู่แค่ความสงบความนิ่งความเฉยแค่นั้นไม่พอเราต้องพัฒนาจิตต่อไปอีกให้เกิดปัญญาการจะพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาได้เราต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้สมัยก่อนหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารยนะ์เข้าไปที่ไหนที่ไหนนะท่านจะพูดคาว่าจิตผู้รู้เหมือนกันหมดเลย ต้องมีจิตผู้รู้ต้องมีจิตผู้รู้นะหลวงพ่อก็ฝึกเป็นจิตผู้รู้นะเช่นครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงปู่สิมเน่ยเจอหลวงพ่อท่าเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เรียกว่าผู้รู้ผู้รู้ท่านไม่รู้จักชื่อเรียกผู้รู้วิธีที่จะฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูทํำยังไงจิตปกติสังเกตไหมชอบเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งตราบใดที่จิตยังเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตก็ไม่เป็นผู้รู้ หลวงปู่เทศเคยสอนนะสอนหลวงพ่อมาท่านบอกว่าจิตมันมีสองอันนะอันนึงเรียกว่าจิตอันนึงเรียกว่าใจนะอันนี้เป็นภาษาสมมุติของท่านคําว่าจิตของท่านเนี่ยท่านหมายถึงผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งคําว่าใจของท่านหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านว่าจิตอันใดก็ใจอันนั้นคือเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นั่นเองแต่อันนึงรู้อารมณ์ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาผ่านไปอันนี้ท่านเรียกว่าใจ ความจริงก็คือจิตที่ทรงสมาธิชนิดที่สองนะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานอีกจิตชนิดหนึ่งนะจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเนี้ยฟุ้งซ่านไปนะใช้ไม่ได้เนี่ยถ้าเราค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะจนให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูวิธีการที่ง่ายที่สุดนะในเมื่อจิตผู้รู้กับจิตผู้คิดมันตรงกันข้ามกันพวกเรามีแต่จิตผู้คิดทั้งวันนึกออกไหมพวกเราคิดทั้งวันใช่ไหม วันวันนึงมีใครไม่คิดบ้างมีไหมไม่มีคิดทั้งวันนะจิตผู้คิดกับจิตผู้รู้มันกลับข้างกันถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดนะในขณะนั้นจิตจะหยุดคิดอัตโนมัติแล้วเกิดเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาแทนนะงั้นพวกเราลองหัดดูนะลองหัดดูจิตแอบไปคิดเราคอยรู้จิตแอบไปคิดเราคอยรู้จิตเราจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาโลปูเทศเรียกว่าใจ ถ้าทางปริยัติก็คือจิตที่ทรงสมาธิชนิดที่สองจิตที่ทรงสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานสมาธิชนิดแรกจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์อันเดียวเป็น1อยู่ด้วยกันนิ่งๆสมาธิชนิดที่สองจิตเป็นหนึ่งตั้งมั่นเป็นคนดูอารมณ์เนี่ยร้อยอารมณ์พันอารมณ์หมื่นอารมณ์แสนอารมณ์ก็ได้ไม่ต้องอารมณ์อันเดียวแต่จะเห็นว่าทุกอารมณ์นั้นเกิดแล้วดับไปทุกอารมณ์นั้นเกิดแล้วดับไปนะตรงนี้แหละการเดินปัญญามันอยู่ตรงนี้เอง การที่เดินปัญญาก็คือการเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดางั้นอารมณ์ของสมถะนะจะแนบแน่นอยู่ในอารมณ์มันเดียวส่วนอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยนับไม่ถ้วนจะเป็นรูปก็ได้เป็นเสียงก็ได้เป็นกลิ่นก็ได้เป็นรสก็ได้เป็นสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายที่เรียกว่าผลทพะก็ได้เป็นความรู้สึกทางใจต่างๆนานาที่เรียกว่าธรรมารมณ์ก็ได้ อารมณ์ทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติจิตทําตัวเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเมื่อจิตทําตัวเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเห็นอารมณ์ทั้งหลายเช่นความโกรธเกิดขึ้นจิตเป็นแค่คนดูมันจะเห็นเลยว่าความโกรธไม่ใช่จิตความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็สูญสลายไปความโลภเกิดขึ้นมานจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ดูก็จะเห็นอีกความโลภไม่ใช่จิตความโลภเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็สลายไป นะความหลงหรืออะไรก็ตามความสุขหรือความทุกขนะ์ความดีหรือความชั่วทั้งหลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะดับไปต่อหน้าต่อตาจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเนี่เราต้องพัฒนาให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาให้ได้เราถึงจะเดินปัญญาได้จริงถ้าจิตของเราเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอยู่ยังไม่เดินปัญญาที่แท้จริงนะอันนี้ทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติจะตรงกันหมดเลยนะ ที่หลวงพ่อศึกษาจากครูบาจารย์นี่บางองค์พวกเราบางคนจะสับสนได้ยินครูบาจารย์ท่านบอกว่าทําความสงบแล้วพิจารณากายเป็นวิปัสนาอันนั้นท่านพูดโดยโวหารเพราะนั้นนะถ้าโดยหลักการแล้วนะั้นมันเป็นแค่อุบายกระตุ้นไม่ให้จิตติดอยู่ในความสุขความสงบนิ่งๆเฉยๆไม่เดินปัญญาไปคิดนํามันก่อนแต่คนไหนถ้าจิตมันเดินปัญญาแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องคิดนําจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปดับไปตลอดเวลานะนี่ถ้าพวกเราเห็นได้อย่างนี้นะต่อไปปัญญามันจะแจ้งขึ้นมาสมาธิชนิดที่สองที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเราไม่ได้เห็นอารมณนะ์สมาธิชนิดที่หนึ่งเห็นอารมณนะ์นะเช่นรู้พุทโธจิตอยู่กับพุทโธไม่หนีไปจากพุทโธรู้แต่พุทโธอย่างเดียวรู้ลมหายใจจิตไม่หนีไปจากลมหายใจรู้ลมหายใจอย่างเดียวเนะนี่ยจิตอยู่อยู่กับที่อย่างนี้นะ สมาธิชนิดที่สองนะอารมณ์ไม่ได้เราไม่ได้รู้ตัวอารมณ์นะ <c oughs> เราจะเห็นเลยความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับสุดท้ายเราจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้น <c oughs> สมาธิชนิดที่สองเนี่ยจะทำให้เราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามของกายของใจนะงั้นจะมุ่งมาเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่มุ่งไปสู่ความสงบ ถ้าเราตราบใดที่เราทําการภาวนาแล้วมุ่งไปสู่ความสงบเราก็จะติดอยู่ในความสงบในความสุขเป็นภพภพหนึ่งที่มีความสุขความสบายแล้วก็จะเพลิดเพลินพอใจอยู่ในภพอ น, นั้นนะทิ้งไปไม่ได้แต่ถ้าเรามีปัญญาขึ้นมาเราเห็นเลยว่าภพทุกชนิดนะจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์จิตจะดีหรือจิตจะชั่วเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้เลย ถ้าจิตเห็นอย่างนี้นะจิตเรียกว่าจิตมีปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไตรลักษณ์เป็นสภาวะเป็นเป็นลักษณะที่เกิดร่วมของทุกสิ่งทุกอย่างนะของรูปธ ร, รรมนามธรรมทั้งหมดเนี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันหมดเลยงั้นเราดูกายดูใจดูรูปดูนามเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่ามันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่ใช่เพื่อความสงบการที่เห็นว่ารูปนามกายใจนี่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ นี่แหละเรียกว่าวิปัสนาปัญญานะปัญญาชนิดนี้เป็นปัญญาชั้นเลิศคำว่าปัสนะไม่ได้แปลว่าคิดปัสนะคือการเห็นนะเข้าไปเห็นของจริงในกายในใจของตัวเองบ่อยๆนะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะดูกายดูใจไปเห็นกายเห็นใจนี้ทำงานใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูดูไปช่วงหนึ่งหมดเรี่ยวหมดแรงนะไม่สามารถตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้จิตชักจะฟุ้งซ่านถึงตอนนี้ทาความสงบกลับเข้ามานะ ทำสมาธิชนิดที่หนึ่งเช่นกลับไปพุทธโธพุทธโธใหมนะ่หรือบางคนสามารถควบที่หนึ่งกับสองเข้าด้วยกันได้นะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านเคยบอกหลวงพ่อว่าท่านนะภาวนาตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางนะโดยใช้พุทธโธองค์ไหนซ้ำไหมอาจารย์มหาบัวเขบอกฉันใช้พุทธโธตลอดเลยตั้งแต่ต้นทางเลยนะทําได้ยังไงพุทธโธ ท, ทีแรกจิตฟุ้งซ่านคอยรู้ทัน พุทโธไปจิตฟุ้งซ่านเคยรู้ทันจิตจะสงบนี่ได้สมาธิชนิดที่หนึ่งล้เสร็จแล้วก็มาค่อยๆสังเกตไปนะพุโทโธคืออะไรพุโทโธว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ไหมอะไรเป็นตัวพุโทโธจิตนั่นแหละตัวพุโทโธจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแถวนี้พอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็ดูธาตุดูขันดูกายดูใจทํางานนะเบื้องต้นท่านดูกายก่อนนะแล้วแต่จริตนิสัยนะส่วนใหญ่ครูบาจารย์ สายวัดป่าที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยเบื้องต้นท่านจะดูกายก่อนนะแล้วก็พอดูกายจนกระทั่งเห็นในะกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งพวกเราที่หัดภาวนาพวกเรารู้สึกไหมเราแยกกายกับจิตก่อนอย่างอื่นนึกออกไหมตอนนี้ใครแยกกายกับจิตเป็นละแยกได้เป็นคราวๆนะไม่แยกทั้งวันหรอกนายกมือให้ดูหน่อยซื้อมีไหมตอนนี้นับไม่ท้วนนะนับไม่ท้วนเลยมีเยอะมากเลยนะทั้งในประเทศต่างประเทศ บางคนมาจากอเมริกาช่วงหลังๆมาจากอเมริกาเยอะมาส่งกันบ้านปรากฏว่าเขาพัฒนามาได้อย่างดีแล้วนะจํานวนมากเลยกายกับใจเขาแยกออกจากกันใจเขาตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นมีรัคขณูปณิชฌานมีสมาธิชนิดที่สองมันจะตั้งมั่นมันจะแยกตัวออกจากขันทั้งหลาย จะเห็นกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตนะเนี่ยแยกออกมาเห็นเวทนาอยู่ส่วนเวทนาจิตอยู่ส่วนจิตเห็นสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วอยู่ส่วนของสังขารจิตอยู่ส่วนจิตนี่เห็นอย่างนี้นะเนี่ยถ้าคนไหนฝึกมาได้ตรงนี้นะจะเริ่มเห็นไตรลักษณ์เวลากายกับใจมันแยกออกจากกันนะพอสติระลึกรู้กายจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เป็นกลางตั้งมั่นไม่เข้าไปแทรกแซง มันจะเห็นทันทีมจะเกิดปัญญาทันทีว่าร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุร่างกายนี้กลวงกลวงเป็นสิ่งที่จิตมาใส่อยู่เหมือนเปลือกเหมือนถ้าเหมือนคูหาเหมือนแคปซูลอะไรก็แล้วแต่จะเห็นว่ากายกับจิตเป็นคนละนั้นกันแล้วกายนั้นไม่ใช่ตัวเราจะเห็นเองเห็นได้เองโดยไม่ต้องคิดนําเลยนะเนี่ยถ้ากายกับจิตมันแยกออกจากกันจะเห็นเองว่ามันไม่ใช่ตัวเราถ้ากายกับเวทนาแยกออกจากกันนะแล้วก็เวทนา แยกออกจากจิต ด, ด้วยแยกออกไปอีกก็จะเห็นเวทนาไม่ใช่ตัวเรานะใช้หลักอันเดียวกันเนี้ยอย่างเรานั่งสมาธิไปนั่งไปนานมันปวดมันเมื่อยขึ้นมามันปวดมันเมื่อยขึ้นมาอย่าไปนั่งเพื่อให้หายปวดหายเมื่อยหลายคนภาวนาผิดนะเช่นพอปวดเมื่อยขึ้นมาคิดว่าจะต้องนั่งสู้กับมันให้หายปวดหายเมื่อยเราไม่ได้ต้องการนั่งให้หายปวดหายเมื่อยถ้าอยากหายปวดหายเมื่อยไปนอนซัก็หายนะนะเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นแต่เราต้องการให้เห็นความจริงที่ประณีตลึกซึ้งขึ้นไปอีก พอนั่งอยู่อย่างนี้ทีแรกร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูพอนั่งไปนานๆมันปวดขึ้นมาเราจะเห็นเลยร่างกายตะกี้ไม่ปวดตอนนี้ปวดเพนั้นความปวดกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอันกันเป็นคนละสิ่งกันความปวดเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แทรกเข้ามาอยู่ในร่างกายนะเราะนั้นไม่ใช่ร่างกายเนี่อย่างเนี้จะสามารถแยกกายกับความเจ็บปวดออกจากกันได้นะแล้วก็จิตนั้นมันเป็นคนดูอยู่มันแยกออกมาจิตไม่ใช่ความเจ็บปวดจิตเป็นคนไปรู้ความเจ็บปวด ถ้าใครฝึกได้อย่างนี้นะพร้อมที่จะตายล้เวลาที่จะตายร่างกายเจ็บปวดมากๆนะจะนอนดูร่างกายจะเห็นเลยร่างกายมันไม่ได้เจ็บความเจ็บมันแอบมาอยู่ในร่างกายจะเห็นอย่างนี้จติตก็เป็นคนดูจิตไม่ใช่คนเจ็บสรุปแล้ ity, วกายก็ไม่เจ็บจิตก็ไม่เจ็บนะความเจ็บเป็นสิ่งที่แปรปลอมเข้ามาเนี่ยภาวนาไปอย่างนี้ก็จะเห็นเลยความเจ็บความปวดเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แยกออกไปจากตัวเราเป็นสิ่งที่แปรปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราว งั้นไม่ได้ภาวนาเอาชนะความเจ็บความปวดแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าความเจ็บความปวดทั้งหลายก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เช่นเดียวกับร่างกายเช่นเดียวกับจิตใจนั่นเองนี่พอปวดมากเข้ามากเข้าความทุรนทุรายเกิดที่จิตรู้สึกไหมพอขามันปวดแต่ใจมันกลุ้มก็เริ่มกังวล น, นั่งนานไปจะเป็นอมมาพาสไหมใครเคยกลัวบ้างนั่งสมาธิมากๆเดี๋ยวเป็นอมมาพาสไม่เคยพบนะหลวงพ่ออยู่ในแวดวงผู้ปฏิบัติมาหลายสิบปีไม่เคยเจอคน นั่งสมาธิแล้วเป็นอมัมพาตมีแต่กินเหล้าเมาหัวฟาดพื้นอะไรองี้เป็นกรรมอมพาตนะนี่พอสังเกต ด, ดูพอร่างกายเจ็บปวดเนี่ยความทุรนทุไลมาเกิดที่ใจม้ความทุรนทุไยเกิดที่ใจเริ่มเป็นห่วงร่างกายแล้วนะหรือนั่งสมาธิมาช่วงหนึ่งก็เริ่มห่วงร่างกายแล้วนี่มันชักดึกแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีแรงตื่นเป็นนอนซะเถอนะนี่ต้องเป็นทางสายกลางนะอย่าทรมานกายเป็นสอนเก่งนะ มันสอนให้นอนนี่มันสอนเก่งกรรมฐานอย่างนี้ <c oughs> ครูบาอาจารย์เรียกกรรมฐานหมอนแตก <c oughs> นอนลูกเดี่ยวสอนให้นอนเ <c oughs> ชื่อมันด้วยนะเช <c oughs> ื่อมันด้วย <c oughs> สังเกตแม้ความเจ็บปวดมันอยู่ที่ร่างกายนะความทุรนทุรายมันมาอยู่ที่จิตนั้นความเจ็บปวดกับความทุรนทุรายเนี้ยทางใจเนี้ยคนละอันกันนึกออกไหมเป็นคนละอันกันมันเป็นอีกขันหนึ่งนะเรียกว่าสังขารขันเป็นความปรุงทางใจในสังขารขันแล้ความทุรนทุรายก็ไม่ใช่จิต ถ้าดูให้ดีพอความทุรนทุรายเกิดขึ้นเรามีสติรู้ไปก็จะเห็นนะมันมีแล้วมันก็หายไปได้จิตก็ยังเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะก็จะเห็นเลยความทุรนทุรายกับจิตก็คนละอันกั น, นตัวสังขารมีหลายอย่างอย่างความโลภความโกรธความหลงอะไรนี่เป็นสังขาร น, นะ <c oughs> ก็จะเห็นเลยมันไม่ใช่จิตหรอกความโกรธก็ไม่ใช่จิตนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความโลภความหลงไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่พวกเราหัดอย่างนี้มากเข้ามากเข้านะจิตจะถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ มันจะรู้สึกว่าขันน่ะแยกตัวออกไปห่างๆขันจะอยู่ห่างออกไปตอนนี้ใครพาวนาแล้วรู้สึกว่าโลกนี้หรือขันนี้อยู่ห่างๆบ้างมีไหมยกมือให้ดูหน่อยนี่ยกมือสิมีไหมกล้าหาญหน่อยไม่ใช่ยส่วนมากยกนะยกอยู่แถวเนี้ยะยกมากก็เกรงใจคนข้างๆเช้านี้รีบมาไม่ได้อับน้ําเนี่เราค่อยฝึกนะเราจะค่อยๆรู้สึก่ะจะรู้สึกขึ้นมาเลย ว่าโลกกับร่างกายจิตใจของเราอยู่ห่างๆร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกอยู่ห่างๆนะมีช่องว่างมาคั้นนะระหว่างร่างกายกับจิตใจร่างกายอยู่ห่างๆความสุขความทุกข์ก็อยู่ห่างๆกุศลอะกุศลก็อยู่ห่างๆจิตมันถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูสบายๆนี่หัดอย่างนี้นะจะเห็นโลกห่างออกไปเห็นขันห่างออกไปการที่เห็นขันห่างออกไปก็คือเห็นโลกห่างออกไปนั่นเองจะรู้สึกอย่างเดียวกัน พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติคําว่าโลกสิ่งที่เรียกว่าโลกในทางพระพุทธศาสนาท่านบัญญัติไว้2แบบถ้าบัญญัติในเชิงสมมติบัญญัติคําว่าโลกคือหมู่สัตว์นะหมูสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าโลกถ้าบัญญัติในเชิงปรมาสต์สิ่งที่เรียกว่าโลกคือรูปกับนามนะงั้นถ้าเราภาวนาเนี่ยเราจะเห็นรูปก็อยู่ห่างๆนามก็อยู่ห่างๆงั้นจิตนี่ห่างจากโลกออกมาคือห่างจากรูปจากนามออกมา คำว่าโลกุตตร ะ, ละโลกุตตะระเคยได้ยินไหมโลกุตตร ะ, ะ mm. เหนือโลกจิตที่เหนือโลกเป็นยังไงจิตที่มันแยกตัวมันพลากตัวนะออกห่างออกจากขัน5้าจากธาตุจากขันขันอยู่ส่วนขันจิตอยู่ส่วนจิตนะไม่รวมเข้าด้วยกันนะโดยที่ไม่ได้บังคับไว้เนี่ยโลกุตตะระมันอยู่เหนือโลกก็คืออยู่เหนือขันนั่นเองจิตกับขันนันแยกตัวจากกัน นี่พวกเรายังไม่ถึงโลกุตระส่วนใหญ่ยังไม่ถึงโลกุตระนะเดาเอาว่าส่วนน้อยถึงโลกุตระนะเดาเอ า, าเนการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะถึงเปล่าไม่รู้นะผู้รู้รู้ได้เฉพาะตนเราจะค่อยๆภาวนาณนะขนาดที่ว่ามรรคผลยังไม่ทันเกิดบางครั้งเรายังรู้สึกร่างกายอยู่ห่างๆรู้สึกไหมร่างกายอยู่ห่างๆนะความสุขความทุกข์อยู่ห่างๆเห็นไหมขันมันเริ่มห่างแล้วนะ ถ้าเมื่อไรนะมันพลากออกจากกันเด็ดขาดนะเมื่อนั้นแหละที่เรียกว่าพระอรหันต์ของเราไม่พลาดเด็ดขาดรู้สึกไหม ย, ยึกยักยึกยักใช่ไหมหลุดออกมาหน่อยหนึงเข้าไปรวมหลุดออกมาหน่อยหึงเข้าไปรวมนึกออกเปล่าทำไมเข้าไปรวมได้อีกเชื้อเกิดยังมีอวิชชา ย, ยังอยู่นะยังรวมเข้าไปอีกถ้าทําลายเชื้อเกิดนั้นะเหมือนกาวเหนียวเลยนะเหมือนยางเหนียวนะตัวนี้ทำลายตัวนี้ได้นะมันก็จะไม่เข้าไปรวมกับขันอีกขันนี้ทำงานส่วนของขันนะจิตอยู่ส่วนของจิต แต่ละวันเราก็มีสติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกแต่ไม่ได้มีสติเพื่อเรียนรู้ความจริงของาธาตุของขันธ์ของกายของใจจะมีสติอยู่ก็เห็นแต่ว่ า, าธาตุขันธ์กับจิตนะมันพลากออกจากกันนะนี่พวกเราสังเกตอย่างไหมพวกที่กายกับจิตแยกออกได้นะรู้สึกไหมจิตเรามีขอบเขตมีขอบเขตมีจุดมีดวงอยู่นะอันนี้ยังไม่ถึงขีดสุดหรอกถ้าถึงขีดสุดนะัมันจะไม่แยกเป็นสองอย่ จะไม่แยกเป็นสองห่างๆกันอย่างนี้นะตัวนี้ตัวจิตเนี่ยมันจะถูกสลัดคืนกลับเข้าไปคืนเข้าไปกลืนอยู่กับโลกเลยนะแต่มันไม่สัมผัสกับโลกมันเป็นเนื้อเดียวกับโลกนะแต่มันไม่สัมผัสกับโลกเลยเหมือนดอกบัวอยู่ในน้ำเลไม่เปียกน้ำอยู่อย่างนั้นเลยแล้วกลืนไปนันเดียวกันเนี่ยนะทำกับโลกแล้วกลืนเข้าด้วยกันนะเป็นนันเดียวนะธาตุขันอะไรกับโลก หลวงปู่ดุลเคยสอนไว้ว่าถ้าวันใดที่เห็นว่าจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวรวดแนละ้วันนั้นอาจจะแจ้งจะรู้แจ้งนะ้วนี่พวกเราย่างยังแยกเป็น2 ส, ส่วนนึกออกไหมเวลาจิตของเราตั้งมั่นขึ้นมามันแยกออกจากโลกคนทั่วๆไปนะจิตกับกับขันนะคือจิตกับโลกนี้รวมเป็นเนื้อเดียวกันพวกเรามาหัดภาวนากันแทบเป็นแทบตายนะจิตแยกออกมาโลกอยู่ส่วนโลกนะต่อไปถึงวันหนึ่งนะมัน สลัดตัวนี้ทิ้งสลัดตัวจิตทิ้งคืนเข้ากับโลกเรียกว่าคืนจิตให้โลกนะแล้วมันเกิดสภาวะอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาแทนครูบาอาจารย์ท่านบรญยายด้วยว่าธรรมสภาวะธรรมนะบางองค์ทั้งบอกจิตมันกลายเป็นธรรมนะตัวนี้มันจะพ้นโลกนะมันพ้นโลกตัวนีมน้มันมีความสุขนะมันไม่ปรุงไม่แต่มีความสุขไม่มีขอบเขตนะ ตอนนี้ฝึกก็มีขอบมีเขตไปก่อนนะอาศัยไปก่อนให้มันมีตัวผู้รู้ไว้ก่อนอย่าเพิ่งกระโดดไกลว่าต้องปล่อยวางผู้รู้คืนให้โลกนะมันจะคืนสติคืนปัญญาให้โลกไปหมดเลยนะงั้นตอนนี้ต้องมีผู้รู้ไว้ก่อนนะผู้รู้เหมือนเรือนะจิตผู้รู้ที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเหมือนเรือรับใดที่ยังไม่ขึ้นบอกอย่าเพิ่งทิ้งเรือนะเมื่อวานก็มีนะไม่พระมาส่งกันบ้านองค์ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเลย เห็นเลยจิตที่อยากภาวนาก็เป็นโลภะโลภะเกิดแล้วก็ดับได้เพราะงั้นไม่ต้องภาวนาสรุปลงท้ายไม่ต้องภาวนาหมดเลยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะลงท้ายไม่ต้องภาวนาบอกสติแตกแล้วนะสติจิตใจก็เจอเจอไม่อยู่กับเนือกับตัวนะอย่างนั้นไม่ถูกนะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูซะก่อนจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แหละจะทําให้เราเดินปัญญาได้เมื่อปัญญาแก่รอบนะมันจะคืนจิตให้โลกมันคืนของมันเอง มันคนละขั้นคนละตอนนะเรียนกรรมฐานต้องเรียนไปตามลําดับนะศีลเรียนเรื่องศีลเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องปัญญาพัฒนาศีลพัฒนาสมาธิพัฒนาปัญญาขึ้นมาเป็นลําดับลําดับนะแล้วจิตมันว่างของมันเองไม่ใช่นึกนึกเอาไอ้นี่ก็อนัตตาไอ้นี่ก็อนัตตาทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเพราะงั้นไม่ต้องทําอะไรนั่งคิดเอาเองปัญญาล้ําหน้าไปแล้วนะใช้ไม่ได้ดังั้นพวกเราอย่าเพิ่งทิ้งตัวรู้พวกเราขณะนี้มีหน้าที่สร้างตัวรู้นะ ขนาดพระอนาคาคาท่านยังไม่ทิ้งตัวรู้เลยแล้วพวกเราจะทิ้งตัวรู้ได้ยังไงเราค่อยฝึกนะวิธีฝึกให้ได้ตัวรู้ง่ายๆเลยจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตนี้ไปคิดรู้ทันเพราะตัวรู้กับตัวคิดนั้นมันกลับข้างกันเมื่อไร่จิตนี้ไปคิดรู้ทันนัตัวรู้จะเกิดแต่เกิดแวบเดียวเดียวก็คิดใหม่คิดใหม่รู้อีกคิดใหม่รู้อีกในสุดจิตตัวรู้มันจะตั้งเด่นขึ้นมานะถ้าตั้งมั่นเด่นดวงแต่ว่าบางครั้งอารมณ์ทางโลกมันยั่วเย้ายใจมาก รูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพอะไรนี้มายั่วเยั้าใจมากอันนี้ทำสมาธิช่วยทำสมถะช่วยเช่นจิตมันจะกระโดดวิ่งไปดูสาวตลอดในราคะมันรุนแรงมากนะก็พิจารณาปฏิกูณสุภาพอะไรเงี้ยทำสมถะช่วยให้จิตมีกำลังแมสมถะทำให้จิตมีแรงสมถะทำเป็นที่พักผ่อนเป็นที่เสริมแรงเหมือนปั๊มน้ํามันเท่านั้นเองกอดปั๊มน้ํามันอยู่รับรองไม่ไปถึงไหนัก็อยู่ที่ปั๊มเท่านั้นเป็นเด็กปั๊มไปไหนไม่รอดหรอก คนอื่นเขามาแว๊บเติมน้ํามันเข้าไปโนู่นแล้วไปเชียงใหม่ไปเชียงรายไปนู่ไนไปนี่ไอ้เด็กปั๊มก็อยู่ตรงนี้แหละวะใส่สาวเบล ว, วันๆไม่ต้องทําอะไรกดแ ก, ก๊กแก๊กแก๊กแก๊แกนะไปเรื่อยๆนะเนี่ยถ้าติดสมถนะเนี่ยเหมือนเด็กปั๊มอะไม่ไปไหนหรอกชาตินี่ยังอยู่ตรงนี้แหละมึงปั๊มอยู่นี่แหละนะมีความสุขนะฟังเพลงอะไรโอ้มีความสุขอยู่ในร่มเนะี่ยไม่ต้องเดินทางไปไหนนะแต่ว่าเอาไว้พักผ่อน เป็นที่เติมน้ํามันพอใจมีเรี่ยวมีแรงนะมาเดินปัญญาจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูดูกายทํางานดูใจทํางานเพราะฉะนั้นหลวงพ่อสอนได้เลยหลักของการเดินปัญญาเนี่ยหลักของการทำํำวิปนะัสสนาให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่รู้กายรู้ใจเฉยเฉยแต่ต้องเห็นไตรลักษณ์มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าพูดตามภาษาให้ถูกต้องมีสติเห็นความจริงของกายของใจ นี่ถ้าพูดเอาให้ถูกเป๊ ะ, เ, ปะเลยนะมีสติเห็นความเป็นจริงของกายของใจจะเห็นความจริงของกายของใจได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนี่แหละคือจิตผู้รู้แหะที่ครูบาอาจารย์เรียกนะถ้าภาษาปริยัตยิเรียกจิตที่มีลัคนูฟนิชานตั้งมั่นงั้นพวกเราพยายามฝึกนะต่อไปนี้จิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้ฝึกไหวไหมฝึกไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวนะถ้าอยากพ้นทุกถ้าอยากทุกไปเรื่อยๆก็เป็นเด็กปั๊มสงบ นะไม่มีรถมาก็สงบไม่มีอะไรมาก็ลืมตาขึ้นมาทริง น, นนะไม่เอาอย่างนั้นนะเสียเวลาชาตินี้ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเลยพอไหวไหมเอาไหวไหมไหวแล้วต้องทำนะหลวงพ่อไม่เคยทำให้ครูบาอาจารย์หนักใจทุกครั้งที่ไปเรียนมานะเอามาทำทั้งสิ้นเลยบางทีไปถามก็มาฐานมาเอามาปฏิบัติไม่ถามเล่นต้องอาถามเพื่อปฏิบัติจริงๆ ในว่างๆออกไปกราบครูบาอาจารย์นะตอนหลังๆนี่ท่านไม่ค่อยพูดกับมารานด้วยท่านชอบเล่านิทานคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้นะสุดท้ายท่านก็บอกว่าอาจารย์ประโมทไปสืบอายุศาสนาไปเผยแพร่ต่อพูดอย่างนี้เหมือนกันหมดอะทุกองทุกองนะพี่แปนี่เพิ่งไปกราบหลวงปู่ท่อนมาท่านก็พูดอย่างนี้นะอาจารย์ประโมทไปไปสืบอายุศาสนานะไปเผยแพร่นะ เนี่ยเรากำลังทําเจดีมาช่วยเราทำหน่อยสิบอกโอ้บาลมีหลวงปู่เยอะหลวงปู่ทาเองก็แล้วกันว่าท่านไอเดียดีนะท่านบอกเจดีของท่านเนี่ยต้องอนเนกประสงค์แล้วก็ฟังคงจะทํากรรมฐานทําอะไรชั้นล่างทําห้องเก็บของใต้บันไดเนี่ยเก็บเสียมเก็บพลั๊กเก็บช้อนเก็บจานชั้นบนนะชั้นสองระดับชั้นสองจะทําที่กินข้าวนะร้านอาหาร แต่ไม่ใช่ร้านอาหารนะทำครัวข้างล่างนะแล้วใส่สลิงนะยิงขึ้นไปเป็นพัตตคารลอยฟ้าแล้วเจดีของท่านนะไม่ปลูกไม้ประดับไม้ประดับเนี่ยสิ้นเปลืองท่นว่าท่านจะปลูกไม้กระถางปลูกพริกปลูกมะเขือต่พตอพอต้นไหนออกลูกแล้วเอาขึ้นไปตั้งใครไปกินข้าวนะก็ไปเด็ดมากินเท่าที่จําเป็นดูท่านฉลาดนะท่านบอกว่าเอาไปใส่จานใส่ถ้วยนึกออกไหมทิ้งซะมากกว่ากินท่านว่าอย่างนี้นะ ปรากฏแล้วท่านก็บอกเนี่ยเรามีไอเดียนี่ไอเดียนะไอเดียเราดีนะให้คุยกับใครเนะั้เขาไม่เห็นด้วยสักคนเลย <c oughs> สาปนิกอะไรนะมันกุ้มใจมากเลย <c oughs> ออกแบบจะดีซ ส, สวยเลยนะ <c oughs> ถ้าจะไปทาพัตนาลอยฟ้านี่นะท่านมองผลประโยชน์มองการใช้ประโยชน์นี่ครูบาอาจารย์แล้วแต่ท่านมองนะองค์นี้ท่านมองเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆเลย เนี่ยไปกลับท่านนะคุยธรรมมากันประโยคเดียวนะคุยธรรมมากันประโยคนเดียวท่านบอกว่าจานทร์ประมดไปทํางานต่อนั่นว่ า, างีเลยนะครูบาอาจารย์อื่นๆก็เหมือนกันนะั่นพวกเราฝึกนะพวกเราฝึกฝึกใจของเราขึ้นมาก่อนนะรักษาศีลห้าไว้ว่าเป็นชาวพุทธอ้างว่าเป็นชาวพุทธสีลห้าไม่มีหน้าด้านที่สุดเลยไม่ใช่ชาวพุทธหรอกไม่มีศีลห้านะั่นอย่าไปทําอย่างนั้นนะตลบตะแรงกระล่อนไปวันๆหนึ่งไร้าสาระ เป็นชาวพุทธต้องมีศีลห้ามีศีลห้าแล้วต้องมาฝึกจิตฝึกจิตให้สงบมิธีฝึกจิตให้สงบก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวที่สบายมีความสุขอยู่กับพุทโธมีความสุขก็ไปอยู่จิตก็ไม่หนีไปที่อื่นสงบฝึกจิตให้ตั้งมั่นมิธีฝึกจิตให้ตั้งมั่นคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตไหลไปคิดเรารู้ไหลไปคิดเรารู้ความจริงหลวงปู่มั่นก็เคยสอนไว้ หลวงูมั right ่นสอนราวาสเนี่ยสอนทานศีลภาวนาพอถึงขั้นภาวนาท่านสอนให้พุทโธพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตไหลไปคิดเรารู้ไหลไปคิดเรารู้นะจิตจะค่อยสงบเข้ามานะได้ทั้งความสงบได้ทั้งความตั้งมั่นถ้าวิธีนี้ดีที่สุดเลยที่ท่านสอนไว้งั้นพวกเราหัดนะลองพุทโธดูก็ได้พุทโธไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบแต่พุทโธแล้วจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้จะได้ทั้งสงบได้ทั้งตั้งมั่นนะตัวเนี้ยที่จะได้จิตผูรู้ขึ้นมา พอมีจิตผู้รู้แล้วนะถ้าจิตมันติดสงบติดเฉยติดซื้อบือ้อไม่ยอมพิจารณาไม่ยอมเดินปัญญาตรงนี้คิดคนกว่าพิจารณาร่างกายเป็นการกระตุ้นให้จิตเดินปัญญานะถ้าจิตเดินปัญญาแล้วคือจิตจะตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นอารมณ์ทั้งหลายเคลื่อนไปปรากฏการทางรูปธรรมไหลผ่านหน้าไปปรากฏการทางนามธรรมไหลผ่านหน้าไปจิตอยู่ต่างหากเป็นคนดูถ้าอย่างนี้ไม่ต้องคิดเลยนะไตรลักจะแสดงตัวแล้ตรงนี้วิปัสสนาจริงแล้ว ตรงที่ยังคิดนำอยู่ยังไม่ใช่วิปัสสนางั้นหลวงพ่อพุธเคยสอนนะว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดเนี่ยครูบาอาจารย์สอนต่อๆกันมานะสอนเด็ดขาดมากเลยเมื่อวานก็มีครูบาอาจารย์มาจากวัดป่าสารวัตรวัดหลวงพ่อพุธเนี่ยมาทาบทามไปเทศเทศเอาสีว่างๆก็ว่ากั น, น <c oughs> ท่านบอกทุกวันนี้ก็เปิดซีดีหลวงพ่อให้โยมฟัง โดยเฉพาะตอนที่พูดเกี่ยวกับหลวงพ่อพุธยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดใครเคยได้ยินประโยคนี้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดใครเคยได้ยินความจริงได้ยินทุกคนเพราะหลวงพ่อเพิ่งพูดเดี๋ยวนี้เองถ้าภาวนาเป็นนะโอ้ยตัวนี้พิเศษมากเลยกรรมฐานนี้เหมาะกับคนในเมืองที่สุดเลยเราอยเอาเวลาไปนั่งสมาธิวันละหลายๆชั่วโมง5ชั่วโมงหชั่วโมงหรือไปหากินที่ไหนพอดีอดตายเห็นไหม เวลาเรามีน um AH, ้อยอ่ะเราจะขึ้นรถไฟฟ้าข um ึ้นไปด้วยความรู้สึกตัวเดินขึ้นรถไฟฟ้าหรือวิ่งขึ้นรถไฟฟ้าวิ่งขึ้นแล้วก็ยืนอยู่ก็ยืนด้วยความรู้สึกตัวนะรู้สึกลงไปด้วยสติรู้สึกลงไปด้วยปัญญารู้สึกด้วยสติคือรู้สึกถึงความมีอยู่ของสภาวะในขณะนั้นเช่นร่างกายมันวิ่งเห็นร่างกายมันวิ่งอยู่รู้ด้วยปัญญาก็คือเห็นความจริงคือไตรักเห็นว่าตัวที่วิ่งอยู่ไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่วิ่งไปได้ นะเห็นความสุขเกิดขึ้นนสติเป็นคนรู้ความสุขที่เกิดขึ้นปัญญารู้ว่าความสุขก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยดำรงชีวิตอยู่นะด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยให้มากเลยดูลงไปเรื่อยๆนะถึงเวลาก็ทำในรูปแบบรักษาสีลห้ายืนฟื้นไว้ทำอย่างนี้ได้รับหลอกต้องดีแน่นอนนะส่วนจะบรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อไหร่นี่แล้วแต่บุญวาสนานะ มีครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็บอกว่าบางคนเรียนกับหลวงพ่อเ็าจะพ้นทุกไปนะบางคนไม่พ้นทุกเขาจะไปต่อไปเจอพระศรีอานตต่ออย่างนะี้ท่านก็ว่าอย่างนี้ก็มีนะเจอไม่เจอไม่รู้นะเราก็ไม่รู้จักพระศรีอานเป็นการส่วนตัว <c oughs> อ้าวพอสมควรทํายังไงมีจิตผู้รู้มีจะถามหลวงพ่อบคนหลวงพ่อขอถามก่อนคนไหนจะถามเรา เนี่ยเราจะขอถามทำยังไงถึงจะเกิดจิตผู้รู้เอาแล้วสิ <c oughs> รู้ทันจิตผู้คิดสิงันก็เกิดจิตผู้รู้ทำไงจิตจะสงบน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่สบายๆอันเดียวจิตไม่หนีไปอารมณ์อื่นจิตก็สงบนะเห็นไหมง่ายๆมีเหตุมีผล <c oughs> ทำไงจะเกิดปัญญา มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางปัญญาจะเกิดฝึกนะสิ่งที่หลวงพ่อสอนนี่หลวงพ่อสอนหลักให้ส่วนวิธีปฏิบัติใครจะใช้วิธีอะไรไม่สำคัญหรอกทางใครทางมันนะใครจะทำความสงบด้วยพุทธโธก็าทาไปใครจะทำความสงบโดยการพิจารณาปฏิกูลสุภะเจริญเมตตาหรืออะไรก็ทาไปแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกัน ใครจะเจริญปัญญาด้วยการรู้กายก่อนนะทำสมาธิแล้วไปรู้กายทาสมาธิแล้วไปรู้เวทนาหรือบางคนจะดูจิตแล้ว่อยทาสมาธินะดูธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ไปทาสมาธิอย่างนี้ก็ได้นะทางใครทางมันบางคนใช้สมาธินำปัญญาบางคนใช้ปัญญานำสมาธิบางคนใช้สมาธิและปัญญาควบกัน ทางใครทางมันแต่รับรองไม่หนีจากหลักที่หลวงพ่อบอกเรื่องใจศิกขานี้อย่างคนที่ทําสมาธิกับปัญญาควบกันเนี่ยยุคนี้มีไม่มากแต่พอมีหลวงพ่อสอนไวม้มีไม่มากะนะแต่พอมีพวกนี้ต้องชํานาญสองอย่างต้องชํานาญสมาธิก็ต้องชํานาญการดูจิตพระจิตรวมลงไปเนี่ยเขาจะเห็นสภาวะเกิดดับภายในจิตอีกทีนะเห็นองค์ธรรมเช่นปีติเกิดขึ้นปีติดับไปพอนะปีติดับไปจิตมีความสุขขึ้นมา ตัวปีตินะั้นมันขวางความสุขไว้นะมันเด่นมันฉูดฉาดถ้าปีติเกิดอยู่เนี่ยมองไม่เห็นความสุขพอปีติเรามีสติรู้ทันปีติปีติดับนะความสุขมันจะเด่นรู้ทันความสุขและความสุขดับคราว น, นี้อุเบกขามจะเด่นขึ้นมานะอุเบกขา ม, มันเด่นอยู่ช่วงครู่หนึ่งหรือว่าชั่วระยะของสมาธินะจิตถอยออกมาหน่อ ย, อยนะอาจจะเกิดปีติอีกก็ได้หรือหลุดออกมาโลกข้างนอกเลยก็ได้เนี่ยมีสติตามรู้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดินปัญญาได้ในสมาธิ ยกนี้มีไม่มากแต่ว่าถ้าเดินปัญญาในสมาธิได้เนี่ยนะเวลาความรู้ความเข้าใจเกิดนะจะลึกจะลึกซึ้งลึกกว่าที่เราอยู่ในโลกข้างนอกอย่างนี้ตนะ้ความรู้ความเข้าใจจะลึกกว่ากันมากเลยเฉะนั้นถ้าท่านใดทําอย่างนั้นได้แนละเวลาได้ธรรมะจะเป็นพวกที่เรียกว่าอุปโตภาคอุปโตภาคซึ่งหายากนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านท่านพูดไปเลยว่าท่านได้อุปโตภาคดรวอาจารย์มหาบัว หายากอย่างนี้หายากถ้าปัญญานําสมาธินะยุคนี้จะเยอะสมาธินําปัญญายุคก่อนเราเนี่ยจะเยอะครูบาอาจารย์จะทําสมาธิกันเยอะรุ่นเราเนี่ยให้นั่งสมาธิเดี๋ยวก็หลับแล้วเพราะใจเราฟุ้งทั้งวันนะเอาปัญญาหลวงพ่อแค่พลิกนะพลิกคําสอนแต่ในหลักเนี่ยอันเดิมพลิกเอามาให้เหมาะกับคนเมืองเท่านเองคนเมืองไม่มีเวลานั่งสมาธิเยอะๆต้องใช้ปัญญานําเอา รูบอาจารย์องค์หนึ่งนะตอนนี้ท่านผู้ลักผู้ใหญ่มากๆเลยในสายหลวงตานี่แหละท่านเคยพูดกับคนมาถึงหลวงพ่อท่านบอกหลวงพ่อเป็นพระที่อัศจรรย์ท่านบอกท่านเริ่มมาจากพุทธโธหลวงพ่อประโมทเริ่มจากสติทํำไมมันมายลงที่เดียวกันนี่แหละแสดงว่าโลกนี้กลมเรื่องทฤษฎีของท่านนะโลกเป็นกลมที่เดียวกันงั้นถ้าภาวนาเป็นนะเราจะไม่โทษหรอกนะว่าวิธีของคนอื่นใช้ไม่ได้ ถ้าใครคิดว่าวิธีของกูเท่านั้นวิธีอาจารย์กูเท่านั้นที่ถูกนะยังไม่รู้จริงหรอกถ้าขึ้นเขาได้เราจะรู้เลยทางขึ้นเขาเนี้ยรอบตัวเลยแต่ทิศทางของการขึ้นเขาต้องถูกต้องถ้าขึ้นเขาแล้วเตี้ยลงไปเรื่อยๆมันคงไม่ขึ้นเขาหรอกนะคือจะอยากปีนขึ้นยอดเขาแต่กูว่านั่งสมาธินิ่งอยู่ที่เดิมนี่เป็นเด็กปั๊มอยู่เชิงเขามันไม่ไปไหนอะ่ะนะทิศทางมันต้องถูกต้องนะแล้วส่วนจะใช้เส้นทางไหนเนี้ยทางใครทางมัน คนอีสานมีคําพังเผยบอกนะบอกว่าคนหลายคนกินน้ำบ่อเดียวน้ำบ่อเดียวหมายถึงไปพระนิพพานเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันของเรายุคนี้อยากให้เหยียบรอยกันนะใครไม่เหยียบรอยกูกูจะเหยียบมึงอะ่ะนาอย่างนี้ก็มีนะ <c oughs> อ้าวส่งกันบ้านกราบนะมาตรการหลวงพ่อครับ สืบเนื่องจากคราวที่แล้วผมส่งกันบ้านเมื่อสักกันยาครับนี้หลวงพ่อกรุณาแนะนำให้ยิ้มหวานก่อนเหมือนว่าก็เลยมารู้สึกว่าตัวเองภาวนาจะเครียดเกินไปหลังๆก็พยายามจะปล่อยปล่อยมากขึ้นนะครับก็รู้สึกว่ารู้สึกตัวดีขึ้นแต่อาจจะเว้นระยะมากขึ้นแต่เบาขึ้นนะฮะ ถ้าเราเราไม่เพ่งนะ้ำจะเผลอเร็วขึ้นนะครับแต่าใจมันจะโปร่งเบาแล้วมันทํางานได้ต้องต้องแร ก, กออกถ้าเพ่งนิ่งกี่ปีกี่ชามอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าคลายออกแล้วฟุ้งแรงนะก็กลับไปทําความสงบเป็นช่วงๆนะพอให้ใจมีแรงอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งครั บ, ร บ, รบตอนนี้เบากว่าแต่ก่อนหรือเปล่าเบาป่าฮะออสังเกตไหมพอจิตมันเริ่มเบาขึ้นนะมันเริ่มเคลื่อนไหว เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวออกไหมมันเริ่มหเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ถ้าจิตนิ่งทื่อๆอยู่นะไม่มีความเปลี่ยนแปลงให้ดูหรอตรงที่เราเห็นกายนี้ใจนี้มีความเคลื่อนไหวมีความเปลี่ยนแปลงนลั่นแหละเราเดินปัญญาอยู่ถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดความรู้รวบยอดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาเลยเห็นไหมว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับตทุนี้เห็นไหมสุขเกิดแล้วดับทุกเกิดแล้วดับเห็นครับดูมากๆนะอย่างนี้ยมีปัญหาอะไรหละ รู้สึกรึกว่าตัวเองจะติดอะไรบางอย่างคืออยากจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าถามหลวงพ่อว่าเออยังติดเพ่งหรือว่าวิธีดูง่ายๆนะไม่งั้นต้องสงสัยแล้วรอถามหลวงพ่อจับฉลากยากวิธีดูง่ายๆคือถ้าเราติดเพ่งเนี่ยใจเราจะแข็งๆทื่อๆแข็งๆทื่อ ๆ, ๆ, ๆบ้างไหมตอนเนี้ยมีครับเอามีก็แสดงว่าเพ่งหน่อยๆไม่แข็งแรงเท่าแต่ก่อนใช่ไหมใช่ครับอันนั้นเพ่งแรงอันนี้เพ่งเ บ, งเบา ก็แค ja, hmm. hmm. ่รู้ทันไว้ยังเพ่งอยู่อยากหายเพ่งไหมเป็นบางขนาดถ้าอยากรู้ว่าอยากพอเราเพ่งเบาลงเนี่ยมันจะเริ่มเคลื่อนไหวเริ่มเปลี่ยนแปลงให้ดูได้แต่ว่าเบื้องต้นเหลือเพ่งไว้นิดหน่อยไม่เป็นไรตึงนิดหน่อยไม่เป็นไรนะเบื้องต้นกะจะให้พอดีเป๊ะๆแป๊บเดียวสติจะอ่อนไปเดี๋ยวจะหลงง่ายเพะงั้นตึงนิดหน่อยไม่เป็นไรอย่าให้ตึงแรงถ้าตึงแรงแล้วไม่มีอะไรแสดงใจรักให้ดูได้เลยครับ อันนี้ดูตอนนี้ดูความหนีไปคิดอยู่นะครับทีนี้พอรู้ว่าหนีไปคิดเนี่ยมันอาจจะรู้แต่รู้สึกได้บ่อยขึ้นแต่ว่าบางครั้งก็ไม่มีกำลังไม่มีกำลังทำความสงบเพรอมาพักผ่อนไม่ทิ้งสมถะหรอกนะแต่ว่าพอออกจากสมาธิแล้วใจให้มันเหมือนอย่างนี้นะใจให้มันโปร่งให้มันสบายเบาๆแล้วก็รู้สึกดูกายทางานดูใจทางานเห็นแต่ใจรัก ยังมีอะไรที่ขอกันบ้านตนั่นแหละจะสังเกตอเอานะถ้ายังมีตึงมีแน่นอยู่ก็แสดงว่ายังโลภอยู่อยากดีอยากปฏิบัติแล้วก็ไปบังคับมัน ร, นะรู้ตนเองนะแล้มันจะแก้ของตัวเองได้ครับกขอบพระคุณครับนรรการค่ะหลวงพอ่อหนูส่งการบ้านครั้งแรกค่ะผลที่หนูจะได้จาก การปฏิบัติก็คือหนูมีศีลมากขึ้นมีใจที่คุกคีกับธรรมะมากขึ้นค่ะมีใจที่เป็นกุศลมากขึ้นมีทุกข์ที่สั้นลงค่ะอืแต่ปัญหาของหนูก็คือตอนหนูสวดมนต์นะคะคุณหลวงพ่อจะง่วงนอนง่วงมากค่ะง่วงจนแบบแทบจะแทบจะหลับในการสวดดังๆไหมสวดมีเสียงไหมสวดมีเสียงค่ะสวดมีเสียงแล้วยังจะหลับอีกค่ะยืนสวดสิ คือสวดตอนไหนอ่ะเมื่อก่อนนี้ก็คือว่างเวลาไหนก็สวดแต่ทุกวันนี้ตื่นตีสี่แล้วก็มาสวดเวลาไหนก็ง่วงทุกเวลาค่ะเท่าแต่สวดเสร็จแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นค่ะ<อ>เพะ่อเหมืนสวดไป <c oughs> คือจิตมันน้อมไปหาความสงบนะนะ <c oughs> มันก็จะน้อมนอมไปก็ยังงง่วงง่วงมากแต่สวดเสร็จแล้วสวดชื่นทาไปอย่างนี้น <c oughs> ดีไม่เป็นไรหนูขอลวงพ่อคันบ้านเพิ่มคะ่ะก็ พอจิตใจสดชื่นแล้วนะดูกายทํางานดูใจทํางานดูห่างๆดูเป็นอย่างดูห่างๆดูเป็นแวบๆเขาเห็นแวบๆถูกต้อง oui, ถูกต้องอย่าประคองให้ห่างตลอดเวลานะ <ha. S 2> ถ้าประคองให้ห่างตลอดเวลานี้แกล้งทําไม่ดี <ha. S 2> เวลาจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะให้เขาตั้งเองมันจะ ต, ตั้งทีละแวบๆไม่ตั้งเป็นวั น, วนๆหรอกค่ะ ย, <Carl. S 1> <ๆ>ยกเว้นคนที่ทําสมาธิมาคนที่ทําสมาธิมาเวลาจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้นะตั้งได้เป็นวันๆเลย แต่ของอของเราเราไม่ได้เข้าฌานนะสมาธิมเป็นคณิกาสมาธิมันได้ทีละแวบบทีละแวบกบ็เอาเท่าที่มได้อะน ะ, นะดีกว่าไม่มีขอบคุณค่ะหลวงพ่อการบัญชาการหลวงพ่อครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที้ผมส่งการบ้านนะครับก็ทุกวันก็จะตามรู้ตามดูกิจ ด, ดูกายของตัวเองไปตลอดนะฮะกลางคืนก็จะมีเดินจงกรม สวดมนต์นั่งสมาธินะฮะเวลาสวดมนต์นี่กิดเขาแวบไปก็จะรู้ทันนะครับก็คือก็คือพยายามรู้รู้อยู่ตลอดเวลานะฮะก็ที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะคึกครับก็อย่างเวลาทำงานก็จะทำให้สติเร็วขึ้นเป็นกลางมากขึ้นนะฮะก็ก็กอยากจะเพิ่มเพิ่มสมาธินิดหนึ่งนะ ใช่เหมืนฟุ้งฟุ้งง่ายทําสมาธิเพิ่มขึ้นไหน่อยครับผม ก, ก็ถ้าทําอย่างนั่งสมาธิมากๆนี่บางทีนั่งนั่งไปมันไม่ค่อยสงบอจิตมันก็จะแวบไปเรื่อยจิตจิ ต, จ ต, จตมันจะไปเดินปัญญาครับผมพอจิตมันเคยเดินปัญญานะมันขี้เกียจทําสมาธิมันรู้สึกเสียเวลาครับบางทีก็ต้องเขี่ยวเข็นมันทําเหมือนกันนะน้อมน้อมไปทำไหนไม่งั้นฟุ้งไป ครับแล้วเวลาเวลานอนนี่นอ น, นเหมือนกับเหมือนเหมือนไม่หลับนะแต่ว่าเหมือนรู้สึกตื่นอยู่ตลอดนะฮะมันมันบางทีก็จะลุกขึ้นมานั่งนั่งสมาธิต่อได้ไม่เป็นไรดีครับผมอย่างนี้ก็คื อ, อทำไปแบบนี้เรื่อยๆใช่ไหมฮะใช่แต่จิตต้องต้องตั้งมั่นกว่านี้นะครับผมจิตมันกระจัยกระจายมากไปครับผมให้มันมีแรงหนย ขอบคุณมากครับอาจจะพระตื่นเช้ามากมากี่โมงอะตอนตอนเช้าที่มานี่นะฮะมาตื่นหกหกโงครับโอ้ยังเก่งแล้วมานั่งตรงนี้ทันบางคนว่ามาตีสี่ยนี่กระโจนเนี่ยมาแต่มื่อวันก็มีอะไรที่เพิ่มเติมให้ให้นั่นแหละเพิ่มสมาธิขึ้นนิดนึงครับผมสมาธิหย่อนไปไหน ขอบคุณมากครับผมนมัศ ก, การค่ะหลวงพออ่อไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาประมาณปีกว่าๆค่ะก็ตอนนี้ทาในรูปแบบก็จะเดินจรงกลมเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะยังมีกดๆบังคับอยู่ค่ะถูกต้องนะถูกต้องนะที่รู้ว่าถูกต้องค่ะแล้วก็นะรักดีค่ะอยากปฏิบัตินะคะรักดีดีกว่ารักชั่ ว, วรู้ทันไปนะ สติก็มีเกิดเองได้บ้างค่ะก็ถ้าหากว่ามันชัดๆก็จะเห็นแล้วก็จะมีดับลงไปเองบ้างค่ะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะตามตามดูแล้วก็ระหว่างวันก็จะใช้พุทโธอะคะ่ะเ อ, อดีแล้วก็พอพอเรารู้ว่าเราเราลื ม, ลม เ, ออเรากลับมาพุทโธให ม, ม่มันก็จะมันก็จะมีบังคับแน่นๆนะคะให้รู้ทันเอานะบังคับแรงไปอ๋อขอคําแนะนำเพิ่มเติมอะก็ฝึกเนี่ยมันอยู่ที่ความชมนานาญละ อะไรสภาวะอะไรก็มองเห็นอยู่เห็นสภาวะได้แล้วนี่ใจมันยังไม่เป็นกลางค่ะมันอยากโน่นอยากนี่ไปมันก็ไปบังคับไปเข้นตัวเองบ้างต้องรู้ทันเนี่ยที่บังคับเกิดขึ้นนะเพราะความอยากมันอยู่ข้างหลังนะถ้าเราเห็นถึงต้นตออย่างอยากให้รู้สึกตัวตลอดอย่าเงี้ยมันจะไปบังคับมันจะเห็นไม่ทันคือมันจะเห็นตอนแน่นแล้วคะ่ะแน่นแล้วนี่เป็นวิบากเป็นผลและวแล้วมีกิเลสก็ ค, คือความอยากเกิดการกระทํากรรมคือการบังคับ ผลของมันขึ้นแน่นเราไปเห็นตอนแน่นแล้วตอนแน่นแล้วแก้ไม่ได้ผลต้องรับล่ะเราเราก็รู้ว่ามันมันแน่นเราก็รู้ว่าเมื่อกี้เราบังคับอยู่รู้ว่าตอนนี้ไม่ชอบแน่นเอาลงปัจจุบันอย่างนี้เลยเ่าเห็นใจที่ไม่ชอบแล้วดิ้นรนยิ่งแน่นกว่าเก่ากิเลสเกิดซ้ำล้วสมถานี้ต้องเพิ่มไหมคะพยายามรู้สึกตัวให้เยอะขึ้นกันแล้วกันแล้วก็ใจหนีไปคิดนะรู้ให้ไวไว งั้นเอาพุทธโธไปล่อจิตเอาไว้ก็ได้นะพุทธโธพุทธโธใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกนจะได้ตั้งมั่นแล้วก็มีแรงขึ้นด้วยค่ะคุณค่ ะ, ค, ะคือจุดอ่อนของพวกเรานะคารวาสคนในเมืองอะไรพวกนี้สมาธิพวกเราไม่ค่อยพอเพราะวันวันเราฟุ้งเยอะแต่จะให้นาทําสมาธิเต็มร้อยมันก็ไม่เต็มหรอกมันไม่มีวันเต็มนะนั่งสมาธิไม่นานก็หมดแรงหลับไปละงั้นได้สมาธิมาคล้ายๆเราคนจน นะเติมน้ํามันได้ทีหนึ่งห้าสิบบาทอย่างเงีนะ้ยะเอาอย่างงี้ก็เอานะได้ทีละนิดทีละนิดก็ไปทุกวันทุกวันนะมันต้องถึงเข้าสักวันหนึ่งแหลนะไม่ถึงขนาดมีน้ํามันเต็มถังแล้วยังสํารองไปอีกอะไรเงี้ยก็สมาธิเราน้อยเราก็ทําไปเท่าที่เราได้เราสะสมนะถึงวันหนึ่งมันก็เยอะเองแหละมันไม่น้อยตลอดชาติหรอกกับนัสมการหลวงพ่อกับเอ เป็นการส่งส่งกันมากั้งที่สองนะครับห่างไปประมาณสักปีครึ่งนะครับคือหลังจากที่ติดสมาธิมานานมากแล้วก็พอมาฟังธรรมะหลวงพ่อก็จิตกับกายมันตื่นมากครับปัจจุบันนี้ก็ทำตามรูปแบบแล้วก็ก่อนนอนก็ทำสมาธิแล้วสตินี้เกิดบ่อยมากครับแล้วก็จะเห็นตัวตัวจิตนี่มันคิดตลอดครับแล้วก็คือเรารู้ทันตลอดแต่ ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสม่าเสมอนะครับมันก็ถี่ครับคิดว่าถี่ครับดีนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้เลยครับนี่เราเดินอยู่ในทางแล้วนะนึกออกไหมครับเห็นไหมโลกมันเริ่มห่างออกไปนะแต่บางครั้งทุกอย่างมันไร้สาระครับบางครั้งก็พี่นาไปถึงกันหนะ้าก็รู้ว่ามัน มันมันเป็นไตรักษนะครับบางครั้งมันมันเราไม่ได้คิดมันมันมันไปเองนะครับมันเห็นไปเองครับผมไมื่อไหร่พอใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงๆนะครับผมจะเห็นไตรลักปัจจุบันก็ชอบฟังธรรมะมากบางครั้งก็หลับไปกับธรรมะเลยนะครับดีครับผมตื่นละตื่นกับธรรมะไหมมีการบ้านให้ผมไหมครับไปทําต่อนะที่ทําอยู่ถูกต้องแล้วครับผมกราบมรสการครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มาส่งกันบ้านหลังจากาฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณสองปีครับผมอยากก็คือสิ่งที่ผมปฏิบัติก็คืออันนี้ผมฟังซีดีของหลวงพ่อมาขณะขับรถนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะรู้สึกตัวได้ตลอดบ้างมมาไม่ถึงกับตลอดแต่บางทีก็คือจะรู้สึกว่าเวลาเราขับรถไปฟังไปจะรู้สึกกาย ร, ร, รู้กายรู้ใจได้ดีกว่าขณะอือ่นๆแล้วก็จะรู้กายรู้ใจ ได้ดีมากเวลาที่อยู่คนเดียวแต่ถ้าอยู่กับคนอื่นนี่นรู้สึกจะเผลตลอดวันเลยครับเลยแร้วงั้นเราอยู่คนเดียวให้เยอะแล้วก็หลังจากที่ผมฟังมาสองปีผมเริ่มเข้าใจมากขึ้นจากฟังครั้งแรกไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนผมมาสำรวจผลการปฏิบัติของตัวเองผมพอจะคิดว่าผมเองนั้นรู้ว่ากายไม่ใช่ตัวกายไม่ใช่ตัวเรา กายไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถบังคับได้ ม, มันเป็นของมันอย่างนั้นเองแต่ว่าบางทีใจเนี่ยเราก็เป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้เหมือนกันแต่บางท er, ีก็จะรู้สึกว่าเป็นยึดติดกับใจบ้างว่าใจจิตเนี่ยเป็นเราอะไรอย่างนี้บางครั้งครับ <hai. S 2> แต่บางครั้งก็เหมือนว่ามันเป็ น, อ, อ, อ, อ, นอีกอันันึงนะนี่เราเริ่มได้เห็นความจริงบ้างแล้วแต่มันยังไม่รู้แจ้งถ้ารู้แจ้งจะเห็นไม่มีเราแต่เนี่ย จิตที่เดินมาถูกทางนะมันจะเริ่มเห็นความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจได้เนี่ยธรรมะอย่างนี้ถึงจะใช้ได้นะสงบซื่อบื้อเป็นปีปีเป็นชาติชาตินี้ไปได้เรื่องอะไรต้องฝึกจนกระทั่งเห็นเลยทั้งธาตุทั้งขันธ์ทั้งกายทั้งใจนี่มันไม่มีตัวเราหรอกฝึกไปด้วยปัญญามันใจแก่รอบมันจะเริ่มต้นมาเห็นกายไม่ใช่เราเห็นเวทนาเห็นสังขารไม่ใช่เรานะจิตยังเป็นเราอยู่ต่อมาฝึกมากเข้ามากเข้าก็เห็นว่าจิตเป็นเราเป็นคลาวล ต่อไปจะเห็นว่าไม่มีเราหรอกแต่อย่างของผมนี่จะฝึกส่วนใหญ่จะฝึกในชีวิตประจําวันนะครับถ้าฝึกในรูปแบบนี้ผมค่อนข้างจะแย่มากเลยเพราะว่าบ้างถ้าเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิไม่ฟุ้งก็หลับไปเลยครับแล้วสวนมนูก็ได้นะถ้าส่วนมนต์ยาวๆไม่เป็นนะสวดแค่พุโทโธก็ได้ว่างเมื่อไหร่ก็สวดมนต์ไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนะแล้วใจหนีไปแล้วคอยรู้จะได้สมาธิเพิ่มขึ้นขออีกคํถามหนึงครับหลวงพ่อครับไม่ทราบว่าผลการปฏิบัติตอนนี้ของผมเหมาะ เขาเรียกว่าเหมาะที่จะบวชหรือยังครับเพราะว่าปีนี้ผมกะว่าจะบวชแล้วบวชนานเท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะสามเดือนครับเอได้บวชสามเดือนไม่เป็นไรบวชนานกว่านั้นก็ยังไม่เหมาะนะอืบวชนานนานเดี๋ยวเบื่อแล้วถ้าผมอยากไปบวชที่วัดสวนสันติธรรมนี่มีขั้นตอนอะไรบ้างเล่าครับต้องไปไล่พระเก่าออกก่อนเนี่ยเลือกเอาจะไล่องค์ไหน <c oughs> สงสารท่านอย่าไปไล่ท่านเลย <c oughs> บวดแล้วก็ไปอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อก็ได้ครับผมทุกวันนี้คือม่เป็นระบบที่แบบครูบาอาจารย์โบราณนะครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะไม่ได้เข้าไปอยู่กับอาจารย์ใหญ่นะท่านจะอยู่รอบๆในรัศมีที่ว่าสองอาทิตย์หรืออาทิตย์หนึ่งท่านเข้ามาได้ครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยขนาดนั้นก็พอแล้วที่เหลือไปพอนาว อย่างรับรๆวัดหลวงพ่อมก็มีเขามีอะไรอยเงีพระท่านก็ไปอยู่กันท่านนอกครรษานะไปอยู่กันเยอะแยะตามป่าตามเขาถึงเวลาก็เข้ามาส่งกันบ้านองค์ส่งกันบ้านดีนะเนี่มีอยู่องค์ท่านเครื่องมาส่งกันบ้านบอกว่าท่านเห็นเลยว่าถ้าเข้าไปหมายนะก็มีถ้าไม่หมายก็ไม่มีนะีส่งกันบ้านหน้าฟังรู้เรื่องไหม <laughs> ถ้าหมายถ้าหมายถ้ากําหนดหมายลงไปนะ ถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือนๆเนะนี่ถ้าท่านเห็นเลยว่าถ้าท่านจงใจไปดูนะมันจะแยกเป็นสองส่วนพนอะไม่มีความจงใจนะมันจะสลัดคืนตัวรู้เนี่ยสลัดคืนเข้ากับโลกนะไม่เป็นสองส่วนส่วนของพวกเราไม่ใช่งั้นนะถ้าเราไม่หมายเมื่อไหร่ไปรวมกับโลกเลยนะหลงโลกเลยนะคนลาสเต็ปกันนะของเราพอหมายอยู่มันก็แยกออกมานี่ท่านเห็นว่าถ้าหมายอยู่นะ มันแยกออกถ้าพอปล่อยนะไม่ได้จงใจนะมันสลัดคืนให้โลกเพราะฉะนั้นมันยังไม่คืนจริงคืนบ้างหยิบมั่งคืนบ้างหยิบมั่งเนะนี่ยพวกเราค่อยฝึกนะเนี่ยพระก็อยู่แถวๆวนั้นก็มีขอบคุณมากครับมาศการเจ้าค่ะมาส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะแล้วก็ดูจิต<ช>เป็นวิหารธรรมแล้วก็ชอบดูจิตที่คิดนะคะเวลาหลงยาวๆก็จะชอบใช้ลมหายใจช่วยค่ะ ตอนเย็นจะชอบสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกนับหนึ่งจนถึงหนึ่งร้อยค่ะแล้วก็ตอนที่รู้ว่าเผลอคิดไปนะคะจิตเขาจะชอบย้อนไปคิดว่าไปนึกว่าความคิดตรงนี้มันมาจากไห น, นะคะ่ะ <ừ> แล้วก็พอย้อนไปก็จะพบว่าจุดจุดตั้งต้นนะคะมันมาจากที่ตาไปมองไปเห็นรูป<อ>แล้วก็ คิดต่อค่ะถูกแล้วแล้วก็บางครั้งจะเห็นจิตร้องเพลงเองได้ค่ะแล้วก็ร้ อ, องเพลงอะไรที่แบบไม่ได้อยากจะร้องเลยเ<อ>ก็จิตก็จร้องขึ้นมาเองได้เลยเ<อ>แล้วบางครั้งจะเห็นว่าจิตจิตจะชอบดิ้นโดนหาความสุขภายนอกนะคะ่ะ<อ>แล้วไป<า>สแสดงว่าไม่ใช่พละอนาคาดิ้นโดนหาความสุขนะคะแล้วก็จะแบบวันนึงก็จะแบบไปชอปปิ้งกลับมาบ้านก็จะ ความความรู้สึกจะเหลือแค่ศูนย์ะคะจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นในหลายครั้งแล้วก็จะแบบใจหายอ่ะอใจหายว่าไปซื้อมาทำไมอะก็ขอกันบ้านนะคะที่ฝึอกอยู่ดีแล้วนะเจ้าค่ะสิ่งที่ขาดก็ขาดสมาธิไปบ้างงั้นทําในรูปแบบสม่ำเสมอนะจะเพิ่มแรงขึ้นทำไหนรูปแบบได้ได้ทำไหม ทำทุกวันนะคะส่วนนวลทุกวันแล้วก็นับนับหนึ่งถึงรอดูลงหายใจอะคะ่ะแต่ว่า<น>ก็ยังในชีวิตประจำวันเนี่ยก็มีเวลานี้นิดหน่อยนะทำใจสงบเข้ามาบ้างนะเจ้าค่ะใจใจมันฟุ้งง่ายค่ะนึกออกไหมมันฟุ้งง่ายใ ช, ใช่ค่ะเพราะนั้นเราต้องหาเครื่องอยู่ให้ใจถ้าใจมีบ้านอยู่ที่สบายใจก็ไม่หนีร้อนเร่ไปในีใจเรามันไม่มีเครื่องอยู่ ใจไม่มีเครื่องอยู่ใจก็หนีไปเที่ยวง่ายนะหาเครื่องอยู่ให้ใจซะหน่อยหาพุโทโธหาลมหายใจแต่รู้สบายๆนะเคล็ดลับอยู่ที่สบายไม่มีอะไรทําก็นั่งรู้สึกตัวหายใจไปมีเวลาห้านาทีมีเวลาสามนาทีรู้สึกตัวไปหายใจไ ป, ส, ไ ป, จไปสบายๆเนะจ้ค่ะ ส, สมาธิมันจะได้แรงขึ้นค่ะระคุณค่ะมาส่งกันบ้านมันต้องตื่นเช้าไปมันเออเรอ่อ มันไม่เป็นตัวจริงนึกออกไหมใช้ได้อยู่ขรรภวการหลวงพ่อครับผมใช้ซีดีหลวงพ่อเป็นวิหารธรรมครับแล้วก็ชอบเดินจงกรมแต่ว่านั่งสมาธิไม่เป็นผมมาขอการบ้านครับยังไม่เคยเคยกับหลวงพ่อครับการบ้านเหรอว่าเข้าไปรู้กายรู้ใจของตัวเองเอาของหนูที่เพิ่งส่งการบ้านเสร็จอะ่ะใช้ได้นะใครใครรู้สึกตัวแต่แตะกี้ไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> ถึงว่าโดยพื้นอะ่นะใช้ได้ ฝึกไปเรื่ดีแล้วล่ะขาดสมาธิไปนิดหน่อยใจมันจะฟุ้งเร็วไปของคุณนะหาเครื่องอยู่ให้จิตไว้ก่อนจะอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่อะไรก็ได้แล้วจิตหนีไปแล้วค่อยรู้ไวๆตัวนี้สําคัญนะ ค, คือถ้าจิตเราไม่มีคุณภาพพอมันจะเดินปัญญาไม่ได้จริงหลวงพ่อใช้คําว่าจิตมีคุณภาพนะไม่ใช่แค่จิตสงบบา ค, คนตื้นไปว่าจิตสงบถึงจะเดินปัญญาจิตสงบไม่เดินปัญญา ต้อจิตตั้งมั่นถึงจะเดินปัญญาจิตนี้ไปคิดเวลาจิตนี้ไปคิดคุณทราบไหมทราบบ้างครับเออนะรู้ใว่ใว่ถ้าเราพุโทโธพุโทโธแล้วจิตไหลไปแว๊บเรารู้ไว่ว่มันจะกลับมาไม่ดึงกลับนะกลับมาเองถ้าเราดึงกลับ ม, มันจะแน่นถ้าแน่นเนี่ใช้ไม่ได้ครับขอบคุณครับจําได้ไหมหรือว่าตื่นเต้นเลยฟังไม่ออกเลยตื่นเต้นครับนะเดี๋ยวไปฟังเทปซ้ํานะเขามีให้อัทิ้งหน้าให้อะไรเดือนหน้าเขามาแจกมั้ง บางทีฟังหลวงพอ่อตอบไปตื่นเต้นมันเลยหายไปหมดเลยกับนิมิตการหลวงพ่อคะ่ะไม่ได้ทรงการบ้านตั้งนานแล้วอะคะ่ะก็คือช่วงนี้จะเห็นว่าทุกอย่างรอบตัวเรามันจะไม่มีน้ำหนักอะคะ่ะมีแต่ตัวเราที่แค่มีน้ำหนักอะคะ่ะแล้วก็เห็นเห็นมีมันเหมือนแบบมีช่องว่างนิดนึงนะคะแล้วก็เห็นความคิดมันไหลเข้าไปในช่องว่างคะ่ะเพียงช่วแวบหนึ่งอะค่ะหลวงพ่อ อยากขอคำแนะนำก็รู้สึกตัวไว้นะให้มันคลึกคักกับพี่กระเปานะอย่าน้อมให้มันนิ่งๆซึมๆนะรู้สึกตัวให้กระชับกระเฉงพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยสบายได้นะคะกับนมัสการค่ะหลวงพ่อตอนนี้ภาวนาก็รู้สึกว่าความทุกข์นี่มันอยู่รอบนอกอะค่ะอะไรนะอะไรนอก ความทุกข์นะคะทุกอย่างมันจะอยู่รอบนอกมัน ม, มันมันจะเข้าไม่ถึงตัวเองอะคะ่ะคือทุกอย่างที่มากระทบจิตใจเนี่ยคือจะพอกระทบปุ๊บจะรู้ทันทีแล้วเขาจะอยู่ข้างนอกอเาก็ก็ดูเข้าไปก็จะเห็นไหมมันไม่มีเราอะมันไม่ใช่เรา ค, นะความทุกข์หรือโลกนะอยู่ข้างนอกน ะ, ะถ้าจะทุกข์ขึ้นมาก็คือเราไปหยิบไป่วยมันเข้ามาใช่ค่ ะ, ะถ้าไม่ไปหยิบมาไม่ทุกข์หรอกค่ะ ก็ตอนนี้ก็กลัวจะติดสุขเพราะว่าคือถ้ามีอะไรมากระทบเราก็ดูเขาดูแลมันก็จะหายไปหายไปแล้วก็จะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันไม่ติดสุขหรอกนะถ้ามันพอใจในความสุขแล้วไม่รู้ว่าพอใจถึงจะติดนะถ้ารู้ทันอยู่อย่างนี้ไม่ติดหรอกสังเกตไหมจิตมันมีความสุขขึ้นมาได้เองใช่ค่ะสังเกตไหมมันยิ้มแ ย, ย้มขึ้นมาเป็นขณะขณะขณ ะ, ะดูออกไหมค่ะ ค่ะมีความมีความสุขกับการปฏิบัตินะฮะดีค่ะอย่างนี้แหละถึงจะ ร, รักพระพุทธเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะกลับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะก็ฝึกรู้ใจรู้กายมาได้ประมาณเกือบเกือบปี <พอ S 2> แล้วก็นนความทุกข์น้อยลงค่ะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆก็น้อยลงแล้วก็ตอนนี้ปัญหาของลูกก็คือหลงนานค่ะ พอแต่พอมีสติรู้ตัวขึ้นมามันจะเหมือนจ้องที่จะรอดูอะคะ่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเออนะั่นเรารู้ทันนะหลงมนานเพราะว่าเราไม่มีที่อยู่ให้จิตไม่มีเครื่องอยู่แล้วก็ไปจ้องไปอะไรเงี้ยเรารู้ทันว่าจ้องนะค่ะแล้วก็พอพอรู้ว่าอารมณ์อะไรเกิดแล้วจิตเขาเหมือนจะตั้งคำถามะคะ่ะว่าอตอนนี้หงุดหงิดเราเกลียดความหงุดหงิดนนหรือเปล่าหรือถ้ามีความสุขเขาจะมีคาคถามว่า เราชอบในความสุขนั้นหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะจิตมันช่างพูดใช่ค่ะช่างมันแต่ห้ามมันไม่ได้ค่ะแต่ไม่ต้องไปหาคำตอบให้มันหรอกค่ะงั้นไม่หลอกให้เราคิดไปเรื่อยๆค่ะดีได้ฝึกอยู่ดีคลับค่ะกลับขอบพระคุณค่ะรู้สึกเปล่าว่าสบายค่ะโลกก็เบาๆไปนวัตการหลวงพ่อผมเป็นครูนะครับคนนี้ มีเหตุการณ์ที่เข้ามาประทะบ่อยครั้งมากครับอย่างเวลาเข้ามาสอนนักเรียนเนี่ยก็เจอนักเรียนประเภทปวนแล้วมันรู้ขึ้นมาครับบางครั้งนะครับมันรู้ว่าไ อ, ไอความรู้สึกโกรธซึ่งมันจีกขึ้นมาเนี่ยมันหายมาั้งไปเลยดีครับแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ทันคราวนี้ไอที่มันหายไปนะนะั่นแหะมันรู้สึกว่ามันสว่างสว่างขึ้นมา แล้วนักเรียนก็มองว่าผมได้เป็นครูใจดีจริงๆแล้วเปล่าเลยครับอย่างเนี้เขาเรียกครูรู้ใจครับดีนะใครเป็นลูกศิษย์ด้วยก็บุญ ล, ละคราวนี้อยากถามหลวงพ่อครับ ว, ว่าไอ้ที่มันสว่างๆขึ้นมาตรงนั้นนะเป็นเพราะว่าเราไปรู้มันหรือว่าเราไปรู้มันนะพอปัญญาทแจ้งจริงนสว่างแวบขึ้นมา ได้ยินแนะแสงสว่างแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีพะจิตมันเกิดความเข้าใจนะมันสว่างขึ้นมาครับคราวนีอ้อีกสองประเด็นนะครับคือผมรวมกลุ่มนักเรียนบฏิบัติธรรม เ, เวลาไ ม, ไม่ได้มาส่งกันบ้านหลวงพ่อหรือว่าไปพบกับผู้รู้อย่างคุณดังดินออนี่างละใช่ไหครับ ซึ่งโอกาสพบยางมากผมก็เลยสรุปจากประสบการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นให้กับนักเรียนที่นักเรียนที่มาถามว่าณปัจจุบันขณะไม่มีข้อยกเวน้นรู้ตามนั้นผมสรุปถูกนะถูกแล้วครับผมครับ อ, อ, อีกอีกหัวข้อหนึ่ง น, นะครับทุกเย็นก็จะให้นักเรียนมาเรียนรู้วิธีพั ก, กจิต ก็ ค, คือให้เขาสังเกตไปเรื่อยๆหลับตาแล้วสังเกตไปเรื่อยๆไม่ว่าความคิดอะไรจะปรากฏขึ้นมาก็สังเกตไปคราวนี้ผมมีประสบการณ์ว่าความคิดเนี่ยหรือความปั่นป่ว น, นที่เกิดขึ้นในจิตใจนะถ้าเราไปสังเกตมันมันจะมันจะนิ่งจงนะใจแรงนะจงใจก็คือไปเพ่งมันน่ะมันก็จะนิ่งๆ แค่สังเกตเล่นๆนี่มันก็นิ่งแล้วครับมันจงใจสังเกตไงอ๋อครับจงใจก็คือโลภะสังเกตก็เป็นการกระทํากรรมนะแล้วเพ่งก็นิ่งไปเลยแล้วคนนี้พอพอมันนิ่งก็ก็สังเกตต่อก็รู้สึกว่าจิตใจผ่อนคลายแล้วก็ให้นักเรียนทําก็ได้ผลเหมือนกันอย่างนี้เป็นการพักจิตใช่ป่ะครับใช่ครับแสดงว่าผมแต่ว่าบอกเขานะอย่าไปบังคับจิตแรงนะ ให้แค่รู้ค่อยๆสังเกตสังเกตเกตบาๆครถ้า<ก>เพ่งแรงเดี๋ยวเด็กเครียด ก, ก็บอกเขาเหมือนกันว่าห้ามบังคับอแล้วก็ห้ามไม่ให้กดร่างกายตัวเองให้อยู่นิ่งห่างอย่างนี้อย่างนี้เด็กชอบให้เด็กมันนิ่งๆมันไม่ชอบหรอกเก <c oughs> ่ <c oughs> งหลูกพ่อสอนเด็กไม่เป็นคร <c oughs> าวนี้หมนไปสอนเด็กนะเห็นแล้วเซ่อ เด็กก็เซ่อเราก็เซ่อเลยไม่รู้ใครเซ่อกว่าใครไม่รู้จะสอนไงนะเด็กๆเั้นพวกเราหลายคนสอนเด็กเก่งกว่าหลวงพ่อนะบางคนเป็นครูปไปเลยพอได้หลักของการปฏิบัติแล้วเอาไปสืบต่อเหมือนเราต่อเทียนกันเราจุดเทียนต่อๆกันไปนะเรามีความสามารถเราก็ต่อเทียนให้คนอื่นต่อไปอีกช่วยกันทํานะโลกจะได้สว่างขึ้นโลกทุกวันนี้มืดเหลือเกินเลยกิเลส ต, ตัณหามันท่วมโลกนะมีแต่คนเห็นแค่ได้เห็นแค่ตัว ทุกวงการเลยไม่มีเว้นสักวงการเดียวเลยฉัย้นต้องช่วยทําโลกให้สว่างขึ้นอันแรกเลยตัวเราเองาใจเราเข้าใจธรรมะมากขึ้นมากขึ้ น, นสว่างมีความสุขมีความแสงสว่างเกิดขึ้นคนรอบๆตัวเราในบ้านเราเนี่ยค่อยๆแอบสอบค่อยๆสัมผัสนะเขาก็สว่างขึ้นคนที่ทํางานค่อยสว่างขึ้นเราเริ่มจากจุดเล็กๆจากตัวเราเองต่อแสงสว่างนี้ให้มันกว้างออกไป พระพุทธเจ้ามอบหน้าที่อันนี้ไว้ให้ฝึกตัวเองแล้วก็ทําประโยชน์ตัวเองแล้วก็ช่วยทําประโยชน์คนอื่นเท่าที่ทําได้อาจารย์สอนเด็กได้อย่างนั้นดีแล้วบางคนสอนแต่วิชาการนะแต่ไม่มีศีลธรรมจรรยาอะไรฉลาดแต่เป็นผู้ร้ายที่ฉลาดเจ้าเล่ห์แสนกลอะไรอย่น้นไปไม่มีความสุขหรอกคนพวกนี้งั้นการที่เราเอาธรรมะให้เด็กได้นี่เราให้ความสุขกับชีวิตที่แท้จริงของเขาเลยนอนุโมทนาจาัน ขอบคุณหลวงพ่อครับอันไหนเด็กถามเราไม่รู้นะบอกไปฟังซีดีหลวงพ่อนะเราเราเราไม่รู้ทุกเรื่องเราเดี๋ยเด็กถามบางเรื่องเราไม่รู้เราตอบผิดไปเอาที่เรารู้ที่เราเข้าใจแล้วที่เราผ่านแล้วนะเด็กบางคนมันเรียนเร็วกว่าเราอีกเรียนปุ๊บปุมันไปเร็วกว่าผู้ใหญ่นมัสการค่ะหลวงพ่อ ปัญหาของหนูคือว่าใจไม่ค่อยมีแรงค่ะแล้วก็หลวงพ่อให้ไปท่องพุโทโธก็ไปหนูก็ไม่ยอมท่องพุโทโธก็ไปหาทําอย่างอื่นอย่างอื่นอย่างอื่นจนสุดท้ายแล้วก็บังคับก็คือต้องบังคับให้เขาทําพุโทโธเพราะเพราะว่าพอเริ่มพุโทโธปุ๊บเนี่ยเขาจะบังคับทันทีเลย ม, มันจะแน่นตะก็ทนเอาก็ท้องตะลุยค่ะตะลุยท่องท่องท่องไปจนเขาก็ค่อยๆผ่อนลงค่ะนน น, นัต้้อองอยงยาค่ะ แล้วก็หลังจากที่คือท่องท่องพิทโตไปแลหววางวันเนี่ยปกติก็คือเคยดูอยู่แล้วว่าใจหนีไปคิดนี่ไปคิดนี่เงี้ยค่ะพอได้เริ่มท่องปุ๊บเราก็จะเห็นสภาวะที่มันชัดเจนขึ้นค่ะถู ก, กต้องแล้ ว, ลวก็เห็นได้เร็วขึ้ น, น, นบางวันมากบางวันน้อยอแล้วแต่ค่ะนั่นะอดทนไว้น ะ, ะแล้วก็กลางคืนก็ก็สู้กับขี้เกียจ ก็พยายามสร้างวินัยพยายามสวดมนต์แล้วก็นะคะถวายพระพุทธเจ้ากับถวายอาจารย์ทุกท่านค่ะแล้วก็แต่ตอนตอนพอช่วงท่องก็ดีค่ะพอทีนี้ช่วงหลังไม่กี่ก่อนหน้าเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนมันใจมันอับอับค่ะแต่หนูว่ามันลอยๆอยอยู่ข้างหน้าแล้วเปล่าค่ะถ้ารู้ทันแต่รู้ทันแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องไปแก้มันแค่รู้ทันนะมันจะกลับเข้าสู่สมดุลได้เอง มีปัญหาต้องแก้อั้งนี่เป็นตัวอย่างนะเห็นมอดทนครูบาอาจารย์สอนเราก็อดทนทำเอานะมันก็ดีขึ้นแหละอย่างครูบาอาจารย์สอนเราไม่ทำมันก็ไม่ดีหรอกถึงเวลามาส่งการบ้าน้วจะมาขอการบ้านใหม่การบ้านเก่าไม่เคยทำเลยมันไม่ดีหรอกทนทนะครูบาอาจารย์สอนอะไรก็ทำไป